ซีดีของหลวงพ่อแผนที่สามกล่าวถึงการสร้างเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําที่สำนักชีบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารซีดีแผนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือมอเดิมไม่คาดคิดว่าจะทำเป็นซีดีขึ้นมาในช่วงนั้นแต่พอได้ไปสร้างเจดีย์ ก็มีการพูดต่างกล้ำต่างวาระว่าการสร้างเจดีนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรทําไมสรุปแล้วก็คือทําความเข้าใจกับชุมชนสังคมพอสมควรเพราะว่าการสร้างเจดีนี้เป็นการสร้างเจดีที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าจะว่าไปและเมืองไทยยังไม่เคยมีที่จะสร้างเจดีใหญ่ถึงขนาดนี้สําหรับอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงเพราะนั้นจึงได้ชี้แจงพอสมควร ในซีดีแผนนี้เพราะเหตุไรก็เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่คนธรรมดาคุณแม่ชีแก้วเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปอธิธาต์ของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นประจักษ์พยานสมควรอย่างยิ่งที่จะสร้างเจดีย์บรรจุอธิธาต์เพื่อเป็นกําลังใจฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิงให้ผู้หญิงมีกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะมรรคผลนิพพานไม่มีแต่เฉพาะพระเท่านั้นมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงถ้าปฏิบัติปฏิบัติชอบก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องสงสัยคุณแม่ชีแก้วเป็นตัวอย่างหลวงตา ม, มหาบัวท่านก็รับรองและก่อนหน้านี้ในชีวประวัติของท่านเรื่องราวต่างๆฝ่ายอุบาสิกาถือว่าเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบของอุบาสิกา เพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านที่เป็นฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายโยมผู้หญิงที่จะเดินตามแนวแถวคุณแม่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างคุณแม่แล้วพวกเราก็จะประสบความสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาและในซ d ดีม้วนที่สม้วนนี้ก็มีแนะนำในการสร้างเจดีคุณแม่ดังที่กล่าวมาที่ว่าสมควรที่จะสร้างเจดี จัดเข้าในถู ป, ประหาบุคคลสี่จำพวกนะหลวงพ่อก็ได้กล่าวในซีดีม้วนนี้ไว้แล้วเป็นบางกันแต่ก็พร้อมกันก็ได้อัดธรรมเทศนาหรือว่าแนวความคิดหลากหลายในซีดีแผ่นนี้ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจคงจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวแล้วก็เป็นพิเศษสักหน่อยก็คือมีภาษาภูไทย ภาษาเผ่าหนึ่งที่อยู่แถบสกลนครนนะครพนมเป็นเ ผ, าผ่าภูไทยเพราะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดได้ฟังเสียงแล้วก็ให้ค่อยๆสังเกตแต่ว่าไม่ใช่ผู้ไทยร้อยเอร์เซลักษณะผู้ไทยประยุกต์คิดว่าพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจในภาษาเพราะนั้นพวกเราเกิดมาในโลกถ้าหากว่าได้ฟังภาษาหลายภาษาก็คงจะเกิดประโยชน์ มากทีเดียวถะรู้ภาษาหลายภาษาเพราะนั้นภาษาภูไทยพวกเราควรจะเรียนรู้บ้างไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนเพราะคนคนหนึ่งคนชาติหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งก็ต้องมีภาษาเป็นของตัวเองจำเลียงเสียงก็ผิดแปลกแตกต่างไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นเนื้อหาสาระธรรมะทุกชาติทุกภาษาก็มีในกลุ่มของคนกลุ่มนั้นเหมือนกัน วันนั้นหลวงพ่อเองก็ได้พูดเป็นภาษาพูไทยให้พวกเราได้ศึกษาเพราะคุณแม่ชี้แก้วเป็นภูไทยเป็นเาผาภูไทยในประวัติของท่านที่เป็นมาและก็ภาษาของท่านก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนี่ยนะถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ก็เป็นภาษาพูไทยประยุกตให้เข้ากับ J จดีของท่านแล้วก็ขอเชิญพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังซีดีหรือได้อ่านหนังสือประวัติ ถ้ามีโอกาสก็เชิญไปกราบไปไหว้สักการะบูชาเจดีย์ของคุณแม่จกักวัวถูประหาบุคคลสมควรอย่างยิ่งพวกเราจะได้ไปกราบไปไหว้ในบริเวณนั่นก็มีเจดีย์ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดผาน้ำย้อยและก็เจดีย์ของหลวงปู่ล่าเกมะปัตโตก็อยู่ในละแวกเดียวกันห่างกันไม่ถึง 3-4 กิโลจากนั่นของเจดีย์ของหลวงปู่จามมหาปุญโญที่บรรจุ พระบรมส า, ารีริกธาตุหรือพระาธาตุพระอรหันต์มากจากนั้นก็ใกล้ๆ ก, กันห่างกันประมาณสองสามกิโลก็เจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ําจากนั้นเราจะเดินทางไปกราบพระาธาตุพนมก็อยู่ในละนาบเดียวกันอยู่ในสายเดียวกันนะพวกเราจะไปในถิน่นนั้นก็ได้ไปกราบพระาธาตุพระเจดีย์คงจะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกเรา อย่างน้อยก็ได้ไปกราบพระธาตุพระเจดีย์และลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายและก็ขอให้พวกเราทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆ ท, ท่าน